ต่อไปเรื่องวันเด็กดีไหมเมื่อาวานไปไปไปพูดคุยเฉพาะไปเทศมันก็แบบสูงส่งไปหน่อยไปที่วัดยานาวาใครเคยไปมั้งวัดยานาวาน่าจะเคยไปแน่นอนอย่างนี้นะวัดยานาวามียานเป็นเรือเรือสมเภายนะราชการที่สามท่านสร้างเอาไว้เป็ น, เ ป, นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่า ในยุคท่านเนี่ยเศรษฐกิ จ, จเจริญงุ่งเรืองประเทศไทยเนี่ยบอบช้ำย่ำแย่มากตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเงินในพระครั้งนี้เรียกว่าแทบจะไม่มีเหลือเลยนะพระจากรุงธนบุรีสร้างกรุงธนบุรดีด้วยความยากลำบากเพราะว่าไม่มีทุนราชการที่หนึ่งเห็นว่าสถานที่ทำเล กรุงทนเนี่ย <c oughs> ท่ามเลไม่เหมาะย้ายอีก <c oughs> เงินก็ไม่มีอีกแถมระหว่างนั้นพม่า ก, ก็บุกนะศึกก้าวทับศึกอะไรท่าดินแดงอะไรเนี่ยนะ <c oughs> มาเรื่อยเลย <c oughs> เงิน <c oughs> ไม่ค่อยมี <c oughs> มารุ่งเรืองในยุคราชการที่สามรุ่งเรืองด้วยการส่งสินค้าไปค้าขายแล้วส่วนใหญ่ก็จะส่งไปทางเรือสำเภาไปค้าขายกับจีน ท่านเห็นความมองการไกลของท่านนะท่านว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนะเรือสำเภานี้เนี่ยต่อไปก็คงไม่ใช้จะสร้างให้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นอนุสาวรีย์ว่าประเทศไทยมั่นคงในด้านด้านพระคลังหลวงเลยนะจากการติดต่อค้าขายทางทะเลกับประเทศจีนสร้างเรือสำเภาใครไม่เคยเห็นเรือสำเภา ว, ว่าขนาด รูปร่างเป็นยังไงเอาขนาดจริงด้วยนะนัเอาขนาดจริงนะั้นไปดูที่วัดยานาวา <c oughs> เคยไปไหมเคยไปไหมรู้ไหมหรือสมเพลเป็นยังไงนะประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้นะด้วยการค้าขายแล้วเก็บเก็บทรัพย์เข้าคลังหลวงจากราชการที่สามมีทุนพอที่จะพัฒนาประเทศได้มั่นคง มีการสร้างวัดวาอารามเอากระเบื้องแบบจีนมาทำหลังคาเล่ยนะ<ม>เยอะแยะไปหมดเลยรัฐการในสมัยรัชกาลที่สามไปเนี่ยเมื่อวานก็ตรงวันเด็กพอดีแต่ผู้ฟังเนี่ยไม่เด็กผู้ฟังจะเด็กทีก็เด็กแบบยังอยู่ในตะก้าในรถอะ่ะยังอ่อแออยู่เลยยังตรัสอ่อแออยู่เลยเลอกไม่ก็ ยังอย่ในท้องมีทออยู่ในทอ้ท อ, ง อ, นทองอีกสองท้องเรียกว่าเตรียมพร้อมเตรียมเตรียมเด็กเอาไว้เลยให้มาฟังทำตั้งแต่อยู่ในท้องแต่ในวันนั้นพอเทศธรรมะรุนๆัวเยนะก็ดูตาชักลอยๆก็เลยเอาเอาเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กมาให้เขาฟังหน่อยหนึ่งคือกะว่าให้เขาได้ไป พัฒนาหรือไปใช้กับลูกหลานพอพูดอันนั้นแล้วรู้สึกเขาตื่นตาตื่นใจเลยเอามาฝากที่นี่บ้าง <c oughs> น่าจะเอาไปใช้ต่อคือเข้าใจว่าเราจะมีปัญหาที่ว่าเราจะพัฒนาคุณธรรมให้เด็กกันเนี่ยจะใช้ยังไงดีจะทำยังไงให้เกิดผลก็มานึกถึงทำข้อหนึ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทสี่ เคยได้ยินไหมอิทธิบาทสี่ไม่ใช่อิทธิสี่ก้อนนะอิทธิบาทสี่อิทธิแปลว่าฤทธิหรือความสำเร็จ <c oughs> อิทธิบาทสี่มีอะไรบ้างถามคนนี้รู้หมดเลยถางคนนู้นบ้างรู้ไห ม, มอ่าใช่ได้เออดีดี ด, ดีทางนี้ล่ะรู้ไหมชันทะวิริยะจิตตะวิมังสาชันทะแปลว่าความพอใจนะ วิริยะแปลว่าอะไรฮะความเพียรนะวิริยะเนี่ยมีรากศัพท์ตรงกับคำว่าวีระวีระแปลว่ากล้าจะเพียรได้จะเพียร ไ, ได้เนี่ยต้องกล้าก็มีจิตใจที่ห้าวหาญไปฉันทาวิริยะจิตตะคือมีจิตใจจดจอ่อจิตใจสนใจจดจ่อตรงนั้น วิมังสาคือไตรตรองหรือทดลองนะเวลาคนจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยต้องประกอบด้วยทำสี่อย่างนี้ประกอบกันจึงจะสำเร็จโดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับว่าถ้ามีฉันทะคือความพอใจทำทั้งสามข้อที่เหลือก็จะตามมามแต่บางทีเนี่ยถ้าเด็กสนใจสนใจในเรื่องคุณธรรม สนใจในเรื่องที่จะพัฒนาตัวเองมันก็ง่ายใช่ไหมเราก็แค่ให้ให้โอกาสจัดบรรยากาศในบ้านหรือจัดบรรยากาศหรือหาโอกาสให้เขาได้ทาทาบุญหรือเตพัฒนาตัวเองบ่อยๆแต่ถ้าเด็กไม่สนใจอ่ะฉันทะไม่เกิดเนี่ยทำยังไงหมดโอกาสไหมไม่หมดนะท่านบอกว่าอิธิบาท4ีเนี่ย ไม่จําเป็นต้องเริ่มที่ฉันทะก็ได้ไม่ต้งองเลถ้าเขายัางไม่สนใจนะถ้าเด็กคนนั้นลักษณะแบบเห e ี้วเหี้วห้าวห้าวหี้วเหี้ยวห้าวห้าลักษณะนักเล ง, น, เล ง, น, เลงนักเลงนะนักเลงนักเลงเนี่ยเป็นเป็นตีใหญ่อย่างนี้เนี่ยเอาวิริยะนําก่อนวิริยะคือวีระคือความกล้าเนี่ยนะ พวกกล้าเนี่ยให้ท้าทายให้ท้าทายเห็นเข้าไปแกล้งเด็กแกล้งน้องแกล้งเพื่อนเนะแสดงว่าพวกนี้วีระมากความกล้ามากห้าวหาญมากเราก็ใช้ตัวเนี้ยกระตุนเขากระตุนเขาถ้าเก่งจริงถ้าเก่งจริงเอาชนะความโกลดตัวเองสิประเภทอย่างนี้ท้าทายอย่างนี้ยังไม่เก่งจริง ถ้าเก่งจริงต้องเอาชนะความโกลัตัวเองให้ได้ถ้าเก่งจริงต้องทำได้ดีกว่านี้ไม่ใช่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องทำดีโดยที่ทุกคนยิ้มให้กันทำได้ไหมไม่ใช่ยิ้มอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็ร้องไห้ท้าทายใช้การท้าทายเอาได้ไหมถ้าถ้าทำอย่างงี้ได้เก่งทำอย่างนี้ได้จึงจะเก่งจริงทำอย่างนี้ได้จึงจะแจวจริงเจ๋งจริงอย่างงี้นะแต่ถ้า ชอบก็ไม่ชอบฉันทะไม่เกิดก้าก็ไม่กล้าท้าทายก็งอบางทีบางคนเนี่ยเป็นคนแบบอะไรอะ่ะไม่ไม่ออกทางทางแนวนี้เลยต้องพูดกระตุ้นให้คิดคือกระตุ้นจิตตะขึ้นมาก่อนฉันทะก็ไม่เกิดวิริยะก็ไม่เกิดต้องกระตุ้นที่จิตตะขึ้นมาก่อนพูดให้คิด พูดให้คิดก็คือพูดให้เห็นว่าสิ่งที่จะทำมีความสําคัญยังไงและถ้าไม่ทำมีผลเสียยังไงมีผลร้ายยังไงมีอันตรายอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่ทำบางทีเนี่ยพูดถึงผลดีเนี่ยไม่กระตุ้นเท่าไหร่นะแต่พูดถึงผลเสียเนี่ยรู้สึกจ ะ, จะกระทบใจพูดให้เขากระทบใจเพื่อให้คิดนะเช่น มีอะไรก็จะแบกมือขอแม่ขอพ่อกระตุ้นให้เขาบอกว่าพ่อแม่จะอยู่ให้ตลอดชีวิตไม่ได้นะจะอยู่ให้อีกสิบปีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะขับรถไปแล้วไปความตายทั้งคู่ก็ได้แล้วเราก็อยู่คนเดียวอยู่กับพี่หรืออยู่กับน้องหรืออยู่คนเดียวอยู่ได้ไหม ด, ด้วยตัวคนเดียวต้องหัดช่วยเหลือตัวเองทํางานเอง ตื่นมาพับที่นอนเองซักผ้าเองทำการบ้านเองไม่ให้พ่อทำให้ไม่ให้แม่ทาให้ต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองอย่างเงี้ยเรียกว่ากระตุนให้คิดพวกที่ฉันทะก็ไม่ค่อยเกิดกล้าก็ไม่ค่อยกล้าต้องกระตุ้นให้คิดอย่างนี้เป็นต้นบางทีบางทีพวกบางพวกก็ทดลองต้องแย่ให้ทดลองก็คือ กระตุ้นให้เกิดวิมังษาก่อนวิมังษาคือ ก, การไตรตรองหรือทดลองทดลองเนี่มันจำเป็นต้องทดลองแล้วได้ผลทันทีทดลองผิดก็มีประโยชน์ให้รู้ว่าไอ้ น, นี้อย่างนี้ใช่ไม่ได้อย่างนี้ใช่ไม่ได้เหมือนอย่างเอดิสันใช่ไหมเคยอ่านเคยรู้ประวัติเอดิสันไหมเอดิสันเนี่ยกว่าจะสําเร็จกว่าจะทดลองได้สําเร็จเขาผิดพลาดไปถึงสองพครั้ง2000กว่าครั้งมีคนแนะนําเขาบอกว่า เวลาแนะนำตัวนะนี่ครับเอดิสันครับ เ, ออเขากว่าจะสําเร็จได้ขนาดนี้เนี่ยเขาผิดพลาดมาแล้วสองพันครั้งเอดิสันบอกไม่ใช่ผมได้ประสบการณ์ถึงสองพันอย่างรู้ว่าทําอย่างนี้แล้วไม่ได้ผลสองพันทางแล้วผมไม่ทําอย่างนั้นอีกเลยอืทําแล้วไม่ได้ประสมประสบผลสําเร็จไม่ใช่ว่าไร้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ว่ารู้แล้วว่าทางนี้ไม่ใช่นะ ถ้าทำผิดแล้วดันทุลังดุยๆไปอันนั้นเรียกว่าเรียกว่าไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้ว่ามันผิดแต่ถ้าทำแล้วรู้ว่าผิดงั้นนะ่ะมีประโยชน์รู้ว่าทำแล้วใช่ไม่ได้เช่นเช่นเวลาเราปฏิบัติธรรมเหมือนกันทำแล้วรู้สึกว่าติดใจอยากได้อีกวันนี้นั่งแล้วสงบดีใจสงบอยากทำอีกอยากทำรู้เลยว่าทำด้วยความอยากแล้วไม่ได้สักที แล้วรู้ว่าไอ้อยากเนี่ยผิดอย่างงี้ใช่ได้นไอ้ตอนอยากแล้วไม่รู้ใช่ไม่ได้คอยประคองอยู่คอยประคองอยู่ประคองแล้วก็ไม่ได้เหมือนเดิมสักทีเรียกว่าผิดเป็นครูเราเหมือนโยนความผิดให้ครูเนาะพรุ่งนี้เป็นวันครูใช่ไหมผิดเป็นครูสอนเราเออต้องพูดให้เต็มเต็มเนาะ ไม่ใช่ผิดคือครูพอได้ไหมอันนี้เป็นพอพูดตันนี้ไปที่ที่วัดยานาวาเขารู้สึกมีปฏิกิริยาตาตื่นขึ้นมาบ้างไม่ได้ใช้เฉพาะกับเด็ก <c oughs> กับผู้ใหญ่ด้วย <c oughs> ผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครมากระตุ้นเราก็ตุ้นตัวเองเราเนี่ยเป็นประเภทไหนประเภทที่ ใจจิตใจเนี่ยฝ่ายมาทางนี้อยู่แล้วกระตุ้นฉันท่าบ่อยๆแต่ถ้าของพวกเราเนี่ยใจห้าวหาญท้าทายตัวเองบ่อยๆถ้าพวกเราหนักในความคิดพยายามกระตุ้นให้เรานะมันคิดตรหนักถึงคุณค่าของของคุณความดีที่จะทำหรือในกรรมฐานที่จะทำหรือในในกุศลธรรมที่เราจะทำต่อไปแล้วทดลองไม่ต้องกลัวพลาด มันทดลองไปแล้วจะเห็นเลยว่าทางผิดเยอะแยะไปหมดเลยแล้วไม่ต้องกลัวผิดให้ดูว่าคนที่ประสบความสําเร็จนะ่ะเขาผิดพลาดมาทางนั้นทดลองมาแล้วผิดทดลองมาแล้วผิ ด, ด, ผดเยอะแยะไปหมดเลยนี่เอดิสันเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะทั้งหลายทั้งปวงเนะี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทดลองไม่ใช่นั่งสมาธิวันแรกแล้วกส็สำเร็จเป็นพระอาหารหันต์เลยหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าเลยทดลองผิดมาตั้ง 6ปีแต่ผิดที่พระองค์ผิดไปนั้นนะ่ะพระองค์ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คือนำมาสอนคนในยุคนั้นให้ไม่ผิดอีกไปบอกเลยกับบอกกับปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์เนี่ยมีทิฏฐิติดอยู่ในใจอยู่เสมอว่าต้องทำทุกร ก, กิริยาให้ถึงที่สุดเท่านั้นจึงจะประสบผลสาเร็จคือเป็นพระอาหารหันต์ได้ แต่ตัวเองไม่ยอมนะไม่ยอมทำเชียร์ให้คนอื่นทำแล้วช่วยบอกทีว่า อ, อ, อมาตะธรรมนี่เป็นยังไงเชียร์เชียร์พระมหาบุรุษคือเจ้าชายสิทธัตถเชียร์พระพุทธเจ้าของเราเนี่แหละตัวเองไม่ยอมทำนะแล้วก็มีมืวานตบท้ายด้วยเล่านิทาน พอเล่านิทานไปเนี่ยปรากฏว่าของเขาเป็นรายการทีวีนะรายการทีวีมีเวลาจํากัดพอตอนเล่านิทานเนี่ยมันตอนปลายรายการอล้วเ <c oughs> ขาให้รายการเวลาก็เยอะเหมือนกันนะชั่วโมงครึ่งนะรู้สึกว่าเอ๊ะพอถึงปลายรายการเนี่ยเวลาหมดก่อน <c oughs> เลยติดค้างแบบคราวที่แล้วบอกโปรดติดตามตอนต่อไป แต่ในที่นี้เห็นว่าผมมีเวลาเหลือใครที่ไปฟังทางโน้นแล้วอารมณ์ค้างมาฟังทีนี้ต่อก็แล้วกันพอดีตอนนั้นนึกถึงว่ามันป ล, ป, ลปลายปลายปลายรายการเนี่ยมันจะต้องมีการอุทิศส่วนกุศลออะไรไประเนี้นะก <c oughs> ็เลยบอกก็ว่าทําบุญเนี่ยน <c> ะ <oughs> ทําบุญเนี่ยเวลาอุทิศส่วนกุศลเนี่ยจะอุทิศเฉพาะ ก็มีประโยชน์อย่างหนึง่งเจ้าทิตแบบทั่วๆไปก็มีประโยชน์อีกแบบหนึง่งยกตัวอย่างว่าเนนองหนึง่งเนนองหนึ่งนะบวชเนนแล้วเนี่ยเวลาจะอุทิตสมกุศลเนี่ยนะเขาอุทิตแบบเปิดคือคนส่วนใหญ่เวลาอุทิตให้พ่อให้แม่เนี่ยก็มักจะนึกถึงพ่อถึงแม่ในชาติปัจจุบันส่วนสามเณรองนี้เนี่ย เวลาอุทิศสุขสนทเนี่ยจะอุทิศแบบเปิดคือว่าถึงพ่อถึงแม่ทุกๆุกชาติเอ า, อางั้นเลยนะพ่อแม่ที่เคยเป็นพ่อแม่ไม่ว่าชาติไหนบุญจากการบวชเนในครั้งนี้ขออุทิศให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆุกชาติปรากฏว่าเนนั้นยังไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เลยนะไม่ใช่เป็นพระอนาคาไม่ใช่เป็นพระสกิทาคา ไม่ใช่แม่แต่เป็นพระโสะดาบันเป็นเนรปุถุชนการบวชของเนรอนิสงมากขนาดไหนขนาดที่ว่าแม่ในอดีตชาติรู้เข้าอนุมโมทนาบุญที่เนรบวชและอุทิศให้แม่แม่ที่ว่าเนี่ยเป็นยักษ์ยักษ์ซีนียักษซนีแปลว่ายักษ์เพศหญิง ยักษ์ที่เป็นผู้หญิงยักษิซีนียักษิซีนีเนี่ยยักษ์เนี่ยเป็นเทวดาประเภทหนึ่งเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาในกาลมาภูมิเนี่ยมี6ชั้นชั้นแรกหรือจะเรียกง่ายๆว่าชั้นต่ําสุดคือชั้นจาตุมหาราชถ้าก็บ้ายักษิซีีเนี่ยเป็นเทวดาก็จริงแต่เป็นเทวดาชั้นต่ําสุด แต่พอเทวดาทั้งหลายรู้ว่ายักษณีตนนี้เป็นโยมแม่แม้แต่เป็นอดีตนะของเนรองนี้แล้วอนุโมทนาบุญกับเนรแล้วด้วยเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายเนี่ยปกติแล้วจะเหยียดเหยียดเทวดาที่ชั้นต่ํากว่านะยักษณีมาปกติแล้วก็จะจิตเหยียดไม่ให้เกียรติอะไรแต่พอรู้ว่ายักษณีนี้เป็นโยมแม่ของเนรนะโอ้โอเชิญเชิญเชิญ ไม่เคยให้ที่นั่งก็ให้ที่นั่งไม่เคยให้ที่ที่เดินอะไรที่ที่ให้เกียรติที่ให้นั่งหน้าปกติยักษ์เนี่ยเขานั่งกันตามตามบุญบารมีของตัวเองหรือเทวดาเนี่ยจะนั่งตามบุญบารมีของตัวเองพวกรัศมีน้อยก็ยยไปอยู่ไกลๆพวกรัศมจีจ้าเนี่ยอยู่นานๆแต่พอยักษ์สินี้เนี่ยได้รับได้รับบุญจากเนรหรืออนุโมทนาบุญกับเนรนะเนี่ย ได้รับเกียรติจากเทวดาทั้งหลายอย่างมากแปลกไหมเนนแบบเนนไม่ใช่เนนเป็นพระอริยะด้วยนะเป็นเนนทั่วๆไปที่กล้าบอกว่าเป็นเนนที่ไม่ใช่พระอริยะก็เพราะว่าเนนนั้นต่อมาจะศึกเนเนนะต่อมาจะศึกพอเริ่มโตหน่อยเนะจะศึกไปบินธบารดแล้วเจอสาวสาวใส่บาต นี่เป็นอันตรายอย่างหนึ่งของพระของเนรจะไม่บินก็ไม่ได้ไปบินก็ไปเจอสาวๆใส่บาตก็ติดใจสาวติดใจสาวก็อยากอยากศึกอยากศึกก็ไปหาแม่ไปหาแม่บอกแม่ก็ถามเนรมาทําอะไรป ก, ปกติแล้วเขาไม่มาบ้านช่วงนี้ไม่ใช่เหรอบินบากไปแล้วเมื่อเช้าบอกอยากศึก แล้วเมื่อเช้ากินฉันอาหารนี่ยังยังงั้นเดี๋ยวถ้าจะศึกนะแม่ก็อยากจะอยากให้เนนเนี่ยไม่ศึกอยากให้อยู่ตอนอยู่ต่อนานๆจะรังรอยังไงจะถ่วงเวลาอย่างไงก็เลยบอกว่าเนนอย่าเพิ่งศึกเลยนะเดี๋ยวรอฉันอาหารก่อนคือในใจแม่เนี่ยอยากจะให้เนนเนี่ยมีชีวิตในความเป็นเนนเนี่ยนานที่สุดก็ไปฉันไปไปหุงหุงข้าวข้าวเนี่ยมีอยู่นะแต่ว่าอยากจะถ่วงเวลาก็คือ ไปสาวข้าวใหม่สาวข้าวใหม่อันเนรรอหน่อยนะเดี๋ยวจะหุงข้าวกะว่ากว่ากว่าจะหุงข้าวเสร็จเนี่ยก็ใช้เวลาอีกนานยืดจะระยืดระยะเวลายืดชีวิตได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีใจแม่เป็นอย่างนั้นนะก็ปรากฏว่านางยักษ์ตนนั้นวนะันนั้นก็เกิดคิดถึงเนนขึ้นมาเานานลูกเรานี่ไปไหนเนาะไปบินตบานแล้วจะจะ ได้ข้าวหรือยังฉานอาหารหรือยังมองไปมองมาอ้าวเนนจะศึกทำยังไงดีหนังยักษ์นี้ก็ไม่อยากให้เนนศึกนะก็เลยต้องช่วยทายซิว่าจะช่วยยังไงดูไหมจะช่วยยังไงช่วยหาโยมคนนั้นมาให้หรืเอเปล่ารไม่ใช่นะยักษ์นั้นลงมาหักคอเนน หักเบาๆไม่ตายหักบิดให้แหมมาเป็นนายแบบได้ไหมตีเล็กมาเป็นนายแบบได้ไหมถูกหักคอแล้วตาถลนลิ้นห้อยน้ำลายยืดฮะทําได้ไหมลองทําสิเน้นนั้นเน่ะถูกยักเหมือนยักเข้าสิงอ่ะนะหักคอบิดไม่รู้ตัว บรรยายในคมภีรบรรยายละเอียดนะตาถลนลิ้นจุกปากน้ําลายฟูมปากเอาทําี่ตาถลนตาถลนลิ้นจุกปาก <c oughs> น้ําลายฟูมปากด้วยนะแม่ซาวข้าวอยู่นะหันมามองลูกเฮ้ยลูกเป็นอะไรเขานี้นะคว้าตัวเนมมาที่ตักแล้วนะคนไม่สนละเขาห้ามจับตัวก็ไม่ไม่สนละคว้าเนมที่ตักโอ้โอ้ลูกเป็นยังไง ชาบ้านทั้งหลายก็แห่กันมาดูเสียงอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ลุมมาดูยักษ์ที่สิงเนนอยู่เนี่ยก็ยังไม่คลายลูกเป็นอะไรลูกเป็นอะไรยักษ์ก็พูดขึ้นมาบอกว่าถ้าอยากจะให้ลูกเนนเนี่ยเป็นปกตินะต้องบอกเขาเห็นโทษของกามศึกออกมาแล้วจะตาย ศพจะแยกกว่านี้อีกศพจะเละหน้าเกลียดกว่านี้อีกนี่แค่สอนสอนสั่งสอนบอกบอกจำไว้ถ้าคิดจะศึกนะให้คิดได้ว่าศึกไปศพจะไม่สวยแม่บอกเออเออรีบรีบออกเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบอกเนนให้ไม่ให้ศึกจำไว้นะถ้าคิดศึกอีกนะจะไม่ละไม่ละมือนะนี่แค่ แค่ออมอมแรงนะก็ออกไปเนงก็รู้สึกตัวขึ้นมาสลืมสลือเอ้าแม่เป็นยังไงทําไมเอ้นเราทําไมมานอนตักแม่แม่ถามรู้ตัวไหมเมื่อกี้ที่ทําอะไรไปไม่รู้สิเมื่อกี้นั่งรอเห็นแม่สาวข้าวอยู่เห็นยอมแม่สาวข้าวอยู่แล้วมารู้ตัวไอ้ทีเนี่ยมานอนตักแม่แล้วเนี่ยแม่บอกว่าเนี่ยเพราะว่าคิดจะศึกเนี่ย มึงมันถึงได้วิบปรลิตขนาดนี้ะรู้ไหมว่าชีวิตคารวาเนี่ยมันมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่คิดนะสาวๆที่เห็นเนี่ยนะมันไม่ได้แต่งตึงอย่างนี้ไปตลอดนะมันจะเหียวนะมันจะเหียวนะดูแม่สิหี่ยวไปขนาดนี้เลยไหมเนเนนก็เออเห็นพิจารณามองแม่เห็นเห็นความจริงเริ่มเริ่มคล้อยตามเนี่ยยักษ์เขามาบอกนะว่าถ้าศึกไปนะเขาไม่เอาไม่เอาไว้แล้วนะ ที่เขาเนี่ยเขาทำให้เนี่ยแค่ซ้อมๆมือนะถ้าไม่พอใจในชีวิตเนรเนี่ยออกศึกออกมาเป็นคาราวาสเนี่ยอย่าหวังว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างสบายนะเดนรชักกลัวเนรชักกลัวก็เลยสมาทานบอกว่าจะไม่ศึกแล้วจะไม่ศึกแล้วพอไม่ศึกพอไม่ศึกเห็นโทษภัยของชีวิตนะชีวิตนี้มันไม่แน่นอนจริงๆนะเห็นเลยว่า เราเนี่ยแค่คิดจะศึกยังเกือบจะตายถ้าศึกจริงคงจะตายจริง <laughs> กเกิดความไม่ประมาทนะเกิดความไม่ประมาทบางทียักษ้อนดุดูมันก็มีผลเหมือนกันนะได้ผลเหมือนกันนะเกิดความไม่ประมาทเห็นว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วประมาทไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยเกิดความเพียรพยายามในการทำกรรมฐานมากขึ้น เนรองนั้นต่อมาเป็นเนนอารหันเป็นพระอารหันนะอย่าไปล้อเนนเล่นนะแต่เห็นว่าขนาดเนนที่ยังไม่ใช่อารหัน์นะยังไม่ใช่ยังเป็นเนนที่จิตตกได้นะอุทิศบุญให้กับพ่อแม่ก็ได้ผลเยอะนะแล้วไม่จํากัดประมาณไม่ใช่อุทิศให้เฉพาะพ่อแม่ในชาตินี้ตอนนั้นนะอุทิศให้กับทุกๆชาติเลยใครรู้และอนุโมตินาคนนั้นได้ ต้องรู้และอนมตนานะจึงจะได้เต็มที่ยักษ์ยักษินีตนนั้นน่ะรู้และอนมตนาแล้วได้เต็มที่เลยเนนั้นได้แม่ที่เป็นยักษ์สอนโหดโหด <c ười> ก็ได้ผลเหมือนกันนั้นเวลาถูกแม่ตีถูกพ่อตีก็ให้ระลึกเนะนะว่าหวังประโยชน์นะเคยถูกตีไหม บ่อยไหมทางนี้ล่ะเคยถูกตีไหมถูกตีไหมคะเคยถูกตีไหมไม่กล้าพูดเดี๋ยวโดนตีอีกให้รู้นะว่าแม่เนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะมีความปรารถนาดีไม่อยากเห็นลูกเสื่อมเลยแม้แต่ขทั่งว่ายังไม่ตายแค่สึกออกมาเป็น เป็นคารวานเนี่ยก็ถือว่าเสื่อมแล้วไม่อยากให้เสื่อมเลยสั่งสอนบางทีก็ดูเหมือนโหดร้ายมากเลยนะหักคอหักคอแต่ได้ผลได้ผลเพราะฉะนั้นเวลาสั่งสอนเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้ก็ห้ามตีเด็กใช่ไหมบอกให้ไปอ่านพราไตรปิอกใหม่พระไตรปิฎกไม่ใช่แค่ตีนะหักคอเลยนะแต่ได้ผลแต่ต้องเลือก ต้องเรียกว่าคนเนี้ยใช้วิธีนี้แลได้ผลบางคนเนียต้องกระตุ้นด้วยการเอ่อให้คิดบางบางคนต้องท้าทายบางคนต้องให้ทดลองลองผิดลองถูกแต่เราต้องคอยคอยดูใกล้ๆเขาเรียกว่าดูแบบอุเบกขาให้เขาทดลองเหมือนเด็กกำลังเดินเนียถ้าไปไปอุ้มอยู่ตลอดเนียเดินไม่เป็นต้องให้เดินแล้วให้มันล้มบ้างเดินไปล้มไปแล้วเขาจะเดินได้เอง แต่เราต้องคอยดูอยู่ใกล้ๆไม่ให้เดินตกใต้ถุนเดี๋ยวนี้จะมีไหมใต้ถุนไม่มีนะเดินตกระเบียงเนะอุอุเบขาเนี่ยมาจากศัพท์ว่าอุ ป, ปะบวกคำว่าอิกขะอุ ป, ปะอิกขะอุ ป, ปะมาจากแปลว่าใกล้ๆอิกขะแปลว่ามองอุ ป, ปะอิกขะคือมองใกล้ๆมองใกล้ๆคือมองไม่เข้าไปแทรกแสง ไม่ก็ไปแทรกแซงแต่พอมีปัญหาเข้าไปช่วยได้ทันมีมีอะไรมีอะไรที่จะต้องแนะนําก็แนะนําได้ทันดูใกล้ๆไม่ใช่เมินไม่ใช่ปล่อยไปตามบุญตามกรรมอูเบกขาคือปล่อยให้เขาทาแล้วดูใกล้ๆดูอยู่ใกล้ๆหรือมองดูอยู่อยู่ในสายตาไม่ใช่ปล่อยทิ้งถ้าปล่อยทิ้งคือปล่อยปละละเลยก็ผิดหน้าที่ของพ่อแม่เหมือนกัน ดูใกล้ๆมีเนนบางองเนนบางองก็มีฉันทะมีฉันทะหรือมีจิตตะช่างคิดอยู่แล้วเนเนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนนของภาษารีบุตรมีเนนอยู่องค์หนึ่งบางทีเดินเดินไปกับภาษารีบุตรเนี่ยเจอเขาทำนาทำนานี่ก็จะมี ศัพท์บโบราณเขาเรียกว่าเหมืองรู้จักเหมืองไหมเหมืองก็คือเป็นเหมือนเป็นคลองส่งน้ำเป็นระบบชนรับประทานไม่ใช่ขุดเอาแร่นะคือเป็นคลองส่งน้ำเน้นมาจากตระกูลที่เป็นผู้ดีตระกูลคนรวยเป็นเศรษฐีไม่เคยมาเดินตามท้องนามาเห็นร่องน้ำที่เาเรียกว่าเหมืองเนี่ยนะถามหลวงพ่อหลวงพ่อถามภาษาริบุตรนะ หลวงพ่อหลวงพ่อนี่อะไรนี่เรียกว่าอะไรอ๋อเนนงั้ น, นี่เรียกว่าเมืองเหมืองเหรอเมืองเอาไว้ทําอะไรเหมืองเนี่ยเอาไว้บังคับน้ํบาบังคับน้ํานะจะมีมีแหล่งน้ําอยู่ข้างบนแล้วปล่อยน้ําลงมาตามเหมืองแล้วปล่อยเข้านาเภาษารีบุตรบอกกับเนนนะระหว่างเดินจะไปบินดาบนะเนนก็มานึกเลยว่าเอ๊ะบังคับได้ด้วยเหรอถามหลวงพ่อ เนนมันมีจิตเอ๊ะน้ำนมันมีจิตใจไหมน้ำจะมีจิตใจได้ยังไงเนนไม่มีน้ำไม่มีจิตใจเนนมาคิดเลยขนาดน้ำไม่มีจิตใจนะยังบังคับให้มันตามตามร่องได้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจอ ย, อยู่แท้ๆ ท, ทำไมจะบังคับใจตัวเองให้อยู่ในร่องในรอยไม่ได้เนนช่างคิดนะเราจะคิดไดขนาดนั้นไหม <laughs> อายเนนไหม <laughs> เดินเดินไปนะ ไผ่านช่างทําลูกศรรู้จักลูกศรไหมลูกธนูลูกธนูสมัยก่อนไม่มีปืนใช้ลูกศรยิงออกลูกศรเนี่เวลาดัดก็ต้องเล็งดัดเล็งดูว่าลูกศรนั้นตรงหรือยังเนนก็ไม่เคยเห็นลูกศรถามหลวงพ่อหลวงพ่อนั่นอะไรลูกศรเนนแล้วก็ทําไมเขาเล็งอะไรอ๋อลูกศรเนี่ยจะยิงได้ ตรยิงได้ไกลและแม่นเนยนะต้องดัดให้มันตรงต้องหลนไฟแล้วดัดหลนไฟแล้วดัดล้วมันเล็งดูว่ามันตรงหรือยังลูกศรมีจิตใจไหมหลวงพ่อถามเลยลูกศรมีจิตใจไหมหลวงพ่อลูกศรจะมีจิตใจได้ยังไงไม่มีลูกศรก็คือลูกศรไม่มีจิตใจเอยแหงก็มานึกขนาดมันไม่มีจิตใจยังสามารถดัดให้มันตรงได้ใจเรา เรามีใจทําไมเราจะดัดใจเราให้มันตรงไม่ได้มันตรงต่อมกักตรงต่อทางปฏิบนะัติเนี่ยทําไมจะดัดไม่ได้นึกในใจอย่างี้เลยนะเคยนึกนี้ไหมเวลาเห็นเหมืองเห็นน่องน้ํำนะเห็นเขาทําคันน้ํานึกถึงการบังคับน้ําเวลาเราเห็น Big b a บ๊กบิ๊กแบ ก, ก็นึกอย่างนั้นบ้างก็ได้นะ Big b a บ๊ สามารถกันน้าไม่มาเราจะทำตัวแบบบิ๊กแบกไม่ใช่ไปลื้อบิ๊กแบ็กเดินไปอีกเดินอีกนะภาษาริบบูกับเนนก็เดินไปอีกเดินไปเห็นคนถากไม้ถากไม้ถากไม้เพื่อทำล้อเกวียนทำดุมล้อทำเอ่อทำล้อเกวียนเนี่ยนะสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์ก็ต้อง ทำทำล้อจากไม้ทำด้วยไม้เนงก็ถามว่านั่นก็ททำอะไรครับหลวงพ่ออ๋อก็าถากไม้ถากไม้ให้เข้ารูปเข้ารอยเพื่อหลายหลายชิ้นแล้วมาประกอบไม้มีจิตใจไหมหลวงพ่อไม้มีจิตใจไหมถ้าเราบางคนอาจจะเออไม่แน่นะ หนันถ้าต้นตะเขียนเนี่ยอาจจะมีภาษาได้บอกไม้ไม่มีจิตใจนะไม้ไม่มีจิตใจเนยก็ไม้ไม่มีจิตใจยังสามารถตัดแต่งขัดเกลวขัดเกลวให้เข้ารูปเข้ารอยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ใจเราทําไมจะขัดเกลากิเลสออกไปไม่ได้เนนคิดอย่างนี้นะเนนเนีน่ยสะพายบาทสองใบนะบาทของภาษาได้บทใบหนึ่งบาทของตัวเองใบหนึ่ง พอคิดอย่างนี้หลวงพ่อคิดนีเรียกนะ น, นะหลวงพ่อหลวงพ่อผมไม่ไปบินาบาตละอ้าวทำไมล่ะผมรู้สึกว่าผมจิตใจมันไม่อยากจะไปยุ่งวุ่นวายกับโลกลอยากจะไปภาวนาละไม่บินาบาตนะไม่ห่วงใยแม้กระทั่งอาหารการกินนะขออภัยหลวงพ่อต้องขออภัยด้วยนะ เพราะว่าตัวเองเนี่ยเหมือนมีมีภาระที่ต้องดูแลพระเถระเนี่ยนะดูแลอุปถากสะพายบาทคล้ายๆกับว่าเป็นอุปถากกันะผมขออนุญาตกลับไปกุติไปภาวนาเนนนะไม่ห่วงใยเรื่องอาหารการกินแล้วนะผมขอกลับไปกุติเพื่อบําเพ็ญภาวนาครับหลวงพ่อภ า, ศ า, ศาษาลิบุตมองเนนแล้วดูแววแล้วใช้ได้อนุญาตอเนนส่งบาทมา ถ้าหลวงพ่อจะมีกรุณาก็นําอาหารมาได้นะครับคือไม่ไม่ไม่ปิดโอกาสเนรฉลาดนะถ้าหลวงพ่อจะการุณาจะนําอาหารมาให้ผมก็ได้นะครับเนรคิดว่านเนรจะได้อะไรอะ่ะมีมีคําถามจริงๆนะเนรคิดว่านเนรจะได้อะไรนะผมว่าผมจะได้ปตาตะเพียนเนรมีบุญนะเนรมีบุญแบบชาติก่อนได้ทำทำบุญด้วยปตาตเพียนมา ปลาเพียรแดงไม่ใช่ปลเพียนที่แบบห้อยหลอกเด็กปลาตะเพียรแดงแดงเนนนั้นมีบุญขนาดว่าพอรู้ว่าตัวเองเนี่ยทําบารมีมาสร้างบารมีมารู้เลยว่าตัวเองจะได้กินปลาเพียนวันนี้บอกภาษาริบุตรถามนั่นเนนรู้ได้ยังไงเนนจได้กินปลาเพียนเรายังไม่ถึงหมู่บ้านเลยเนี่ยนะรู้ได้ยังไงมั่นใจได้ยังไงผมมั่นใจ ผมมั่นใจว่าถึงหลวงพ่อไปบ้านโน้นนะไม่ได้ป่าไปอีกบ้านหนึ่งก็ต้องได้ปลาตะเพียนเนี่ยแล้วไปน ะ, ะเนงกับกุติภาษารีบุตรไปบินาบาตภาษารีบุตรไปเนี่ยในคำพี์นี้เล่าละเอียดมากนะมัดูเป็นฉากๆเลยนะอ่านไปแล้วแบบซึ้งมากเลยภาษารีบุตรเดินไปบินาบาต <c oughs> เดินไปบินาบาตไปบ้านแรกไปบ้านแรกเขาถวายเลยนะปลาตะเพียนยนะ ถวาเสร็จพระสารีบุตรก็นึกถึงเนรเออเราจะเอาไปให้เนนเนรบอกว่าเนนจะได้ปาตะเพียนเนนนี่แม่นจริงๆเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ปาเอาปาตพเพียนไปให้เนนเนรพระสารีบุตรก็จะเดินนะจะเดินกลับวัดนนะโยมก็ถามอ้าวหลวงพ่อจะไปไหนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปลาไปให้เนนไม่ต้องของเนนเตรียมไว้แล้วของเนนเตรียมไว้แล้ว หลวงพ่อฉันเลยเดือเยเดี๋ยวมีอีกเนนเนี่ยอดีตชาตินะอดีตชาติทำบุญแบบน่าสนใจบุญที่ทำตอนที่ทำด้วยปาติพย์ดยนะทำตอนชาติที่เป็นทุกขตะรู้จักทุกขตะไหมทุกขตะคือเดี๋ยวนี้เ็าเรียกว่าอะไรดีพวกยาจกหรือแบบ ผู้ผู้ที่เป็นทุกข์อ่ะผู้ที่ยากจนที่ต้องทำทาทางานวันต่อวันหาเช้ากินคำ่ำแบบประเภทนั้นทุกขะตะเนี่ยยุคนั้นเนี่ยเกิดมาในยุคทีพ่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะจำชื่อไม่ได้มีโยมคนหนึ่งไปฟังธรรม จากพระ เ, เจ้าพระ เ, เจ้าก็สันเสริญการทําบุญแบบหนึ่งคือทําบุญด้วยการชักชวนคนให้ทําบุญทําบุญเองไม่ชักชวนใครก็ได้บุญแต่ไม่มีเพื่อนออไม่มีเพื่อนไม่มีไม่มีกลุ่มไม่มีไม่มีพวกในการที่จะร่วมกันเดินทางนี้เส้นทางสายกุศลนี้ก็ไปเดียเด่ยวเดี่ยวโดดโดดอาจจะเหงา นี่คิดเองนะคนฟังคิดเองพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าคนคนไหนชักชวนชักชวนคนทําบุญแต่ตัวเองไม่ทํามีนะมีไหมมาสิมาทําแต่ไม่ออกตังไม่ทําพวกนี้มีเพื่อนมากนะแต่เพื่อนได้ดีตัวเองไม่ได้ดีมีเพื่อนมากบางพวกเนี่ยไม่ชักชวนไม่ทําเอง พวกนี้ก็จมอยู่อาบายจมอยู่ในที่ที่ไม่ดีบางพวกทำเองด้วยชักชวนคนอื่นด้วยตัวเองก็ได้ผลจากการทำบุญนั้นพร้อมกันนั้นก็มีเพื่อนร่วมทางไปไหนก็มีหมู่คณะคอยช่วยเหลือไอ้คนนั้นฟังทำบทนี้เข้าไปก็เราต้องทำแบบแบบสุดท้ายเนี่ยทำเองด้วยชักชวนคนอื่นด้วยคิดการใหญ่เลยนะ นิมนพระทางวัดกะว่าเดี๋ยวเราจะไปชวนคนอื่นต่อนะนิมนนิมนพระทางวัดไปฉันอาหารที่บ้านแต่ยังไม่ระบุว่าบ้านไหนกะว่าเดี๋ยวจะไปชักชวนเดี๋ยวจะไปชวนคนนี้เดี๋ยวจะไปชวนคนโน้นอย่างเงี้ยนะวัดนั้นนะ่ยสมัยนั้นมีพระอยู่สองหมื่นองค์บุญใหญ่ไหมสองหมื่นองค์เลี้ยงพระองค์เดี๋ยงไม่ไม่เท่าไหร่นะไหมเลี้ยงพระเ้าองค์ยังไม่เท่าไหร่นะ 2,000 มืองค์อ่ะแกก็ไปเลยมีเวลาวันเดียวด้วยนะพรุ่งนี้นี่มันพรุ่งนี้เลยนะสอง0มืนองค์ก็ไปบอกบุญได้คือได้สิทธิ์ละได้สิทธิ์ในพระละว่าเราจะได้ทาบุญกับพระสอง0มืองค์เราจะแบ่งสิทธิ์ในการทาบุญนี้ให้กับใครบ้างก็ไปชักชวนชวนค น, ช ค, คนนู้นชวนคนนี้เออดีดีดด จะเอากจะรับกี่องคร้อยองสองร้อยอ ง, องรอองับเป็นร้อยเลยนะบางองค์บางคนก็รับรับมากบางคนบางคนรับน้อยก็จดจดจดมาถึงทุกตะเนี่ยตายยากจนคนเนี้ยอา้าวไม่รับสักองคหนึ่งเหร อ, อโอ้ไอ้นั่นก็บอกทุกตะนี่ก็บอกของผมเองยังไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเลยพวกเนี้ย <laughs> จะไปเลี้ยงพระได้ยังไงผมเองเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเลยพวกเนี้ยนีย อยู่กับเมียนะบางวันอดนะมีเมียด้วยนะอยู่กับเมียเนะีบางวันอดบางวันไม่ได้กินอย่าว่าแต่จะเลี้ยงพระเลยตัวเองยังไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าไอ้ไอ้คนที่คิดชักชวนอันเออนะมันก็ทําหน้าที่ชักชวนจริงนะบอกบอกว่าก็คุณคิดอย่างงี้แหละคุณจึงเป็นทุ๊กตะอยู่อย่างนี้ยากจนอยู่อย่างนี้ไม่ยอมทําบุญนะเพราะว่าไม่ยอมทําบุญนี่แหละจึงไม่มีบุญนะมีคําคำหนึ่งบอกว่า ทำบุญย่อมได้บุญทำบุญย่อมได้บุญคนมีบุญจึงได้ทำบุญแปลกไหมทำบุญย่อมได้บุญคนมีบุญจึงได้ทำบุญคือคนมีบุญน่ะจะมีโอกาสทำบุญได้บ่อยๆคนที่เขามีบุญเนี่ยก็ได้ตักบาตรบ่อยๆทำบุญด้วยไม่ติดขัดนะอีตาคุกตาเนี่ยมันนึกว่าไอ้คนนี้ชวนเราทำบุญแล้วถ้าเราไม่ทำบุญเราก็จะจนอยู่อย่างนี้ ออยังไงเสี้เดี๋ยววันนี้จะไปรับจ้างรับจ้างได้เงินมาแล้วก็จะพรุ่งนี้เราไม่กินก็ได้เราถวายพระทั้งหมดเลยก็เลยบอกงั้นช่วยผมจององคหนึ่งขอองคหนึ่งไม่เอามากกลัวไม่พอไอ้คนนั้นก็องหนึงเหรอได้ได้ไ ด, ไดแต่ไม่จดองค์เดียวจําได้เชื่อเชื่อหัวยเลือง จำได้คือแต่ละคนเนี่ยขอจองร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยนี่อย่างนี้ต้องจดพลาดไม่ได้เลยองเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้กะไว้อย่างนั้นนะแล้วลืมตทุกะตะเนี่ยพอได้โอกาสจะทำบุญดีใจดีใจไปบอกเมียเมี ย, เ ม, ยเมียจา๋า พรุ่งนี้เราจะได้ทําบุญบุญอะไรเนี่ยรับรับพระมาองค์หนึ่งจองเอาไว้องค์หนึ่งว่าพรุ่งนี้จะเลี้ยงพระหนึ่งองค์หนึ่งรูปถ้าเราเป็นเมียเราจะดีใจหรือเสียใจนะ <c oughs> ถ้าเมียไม่ดีใจด้วยก็จะชี้หน้ามึงไม่มีกินแล้วยังไม่เตรียมตัวเนี่แต่ปรากฏเขาได้เมียดี <c oughs> โหดีพี่เรามาช่วยกันทํางาน เราไม่มีไม่มีโอกาสทําบุญเราจึงได้จนอยู่อย่างนี้วันเนี้ยโหพี่ดีมากเลยได้คนชวนทําบุญเราจะได้โอกาสทําบุญแล้วไม่นึกเลยว่าจะได้ไ ม, มีโอกาสทําบุญคิดดูสิเราช่วยกันทํางานนะพรุ่งนี้เรามาจะได้ทําบุญกับพระสักรูปหนึ่งดีใจทุกทีเนี่ยเคยทำทำงานทีละคนวันนั้นน่ยออกไปทํางานทั้งคู่เลยสองคนไปถึงบ้านเสรษฐี ขอทำงานเศรษฐีบอกจะทําอะไรวันนี้ผมทําอะไรก็ได้ใช้แรงงานอะไรก็ได้องั้นไปผาฟืนผู้ชายนะไปผาฟืนผู้หญิงก็ไ ป, ไปขอทํางานก็ไปตําข้าวตำข้าวไอ้ผู้ชายไปผาฟืนก็ผาฟืนด้วยความเบิกบานใจดีใจพรุ่งนี้เราจะได้ทําบุญผาไปไม่เหนื่อยผาไปผาไปด้วยกองโต ไองานคนอื่นเนี่ยไม่เคยทําได้ขนาดนี้วันเนี้ยทําได้มากกว่าสองเท่าเศรษฐีเห็นแล้วงงว่านี่ยนี่มานี่หน่อยสิขอคุยด้วยหน่อยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยกินยาบ้ามาหรือเปล่าทำไมทํางานได้ขนาดนี้บอกว่าทํางานด้วยความดีใจแล้วไม่เหนื่อยดีใจอะไรพรุ่งนี้จะทําบุญบุญอะไรเลี้ยงพระเล้อ ไอ้งั้นร่วมด้วยเว้ยวันนี้ขอติ๊กพิเศษทํางานดีด้วยขอติ๊กพิเศษร่วมบุญด้วยได้เงินเยอะไอ้เมียไปตําข้าวตาํตาตําไปก็ดีใจไปร้องเพลงด้วยนะมีร้องเพลงด้วยเดี๋ยวนี้เขร้องเพลงอะไรกันล่ะนี่ก็ตาํตาตําข้าวไปร้องเพลงไปเมียเศรษฐีมาดูมาผัดกันคุมนะผู้ชายผู้ชายนี่เศรษฐีคุมไอ้เมียนี่เมียเมียเศรษฐีก็มาคุมดูมาดูเมื่อค่อยดูอยู่เรื่อยๆ เออดูคนทำงานมาทุกครั้งเนี่ยไม่เคยเห็นใครทำงานแบบอารมณ์ดีอย่างนี้มาก่อนและทำด้วยความอารมณ์ดีนะงานเสร็จเร็วและมีคุณภาพด้วยไม่จะตำแบบมึ ง, มงอย่างนี้ข้าวแหลกใช่หไหข้าวไม่สวยอยันนี้ตำไปด้วยจิตใจอ่อนโยนเบิกบานสบายข้าวมาดีไม่เสียมากเมียเศรษฐีก็เออไอ้นี่มันทางานดี ทำงานดีอารมณ์ดีเราดูแล้วก็แจ่มใสไอ้นี่มันดีไว้เรียกมาคุยหน่อยทำไมวันนี้ทำงานได้ดีขนาดนี้บอกดีใจดีใจอะไรพรุ่งนี้เนี่ยจะทำบุญวันเนี้ยจะเอาเงินค่าจ้างเนี่ยไปทำอาหารเลี้ยงพระมเมสเรษฐีก็เออดีดีร่วมด้วยติปให้อีกกลายเป็นว่า ทุนที่เคยคิดว่าจะทําได้น้อยๆก็เออมีเม็ดเป็นน้ําเป็นเนื้อล้วก็ไปไปเตรียมอาหารเมียก็บอกว่าพี่ไปหาผักมาสิไปหาผักผักกูดบอกขนาดมันเป็นผักกูดเลยนะผักกูดผักกูดที่ริมน้ําผักกูดจะอยู่ตามไหนริมน้ํำนะรู้จักผักกูดไหมรู้จักไหมคล้ายๆเฟิร์น มันจะอยู่ตามที่แฉะแฉะริมน้ำก็ต้องไปหาตามริมน้ำผู้ชายก็ไปหาทุกกตะเนี่ย น, นะไปหาไปหาเฟิร์นเอ้ยไม่ใช่ไปหาเฟิร์นหาผักกูดนะผักกูดไปเนี่ยร้องเพลงไปด้วยหาผักกูดไปร้องเพลงไปได้ผักแล้วนะเดินไปร้องเพลงไปมีเพื่อนเป็นชาวประมงอยู่คนหนึ่งก็ถาม เอ๊วันนี้ทำไมอารมณ์ดีอย่างนี้ทำไมร้องเพลงไปหาฝักไปบอกครุ่งนี้จะเลี้ยงพระเหรอเอ๊อยากได้เงินมากเพิ่มมากขึ้นไหมอ๋อดีสิถ้ามีเงินมากขึ้นก็จะได้เอาไปทางบุญได้มากขึ้นอีกเอ า, อางี้เนี่ยเราหาปลามาได้เต็มลำเรือเนี่ยนะจับร้อยให้เป็นพวงแล้วไปขายได้เท่าไหร่แล้วจะมีส่วนแบ่งให้ ไอ้ชาวประมงเนี่ยกะว่าขายไม่หมดหรอกเดี๋ยวจะเอาที่เหลือในเรือเนี่ยแบ่งให้ปรากฏขายหมดขายหมดแล้วก็ยกเงินให้ชาวประมงนะหมกตายแล้วว่ะเรากะจะให้ปลาเนี่ยนะเป็นค่าจ้างนะอ้าไม่เป็นไรมีแผนสองเอารามงแนละ้วมีแผนสองเราหมกปลาเอาไว้ใต้ทรายเป็นปลาตะเพียนแดงนี่ตะเพียนเริ่มออกแล้วนะ ตะาเพียนเร้่มออกแล้วเป็นปลาตตเพียนแดงหมกอยู่ใต้ส า, ายกะจะกินเองชาวม้งกะจะกินเองเอ้าคุยออกมาคุยปลาเตเพียนแดงมาแบ่งให้แบ่งให้ใหทุกกะตะเนี่ยปลาตตเพียนแดงให้จานวนหนึ่งจำไม่ได้ว่ากี่ตัวเอาไปไม่มากนะสองตัวละสี่ตัว เ, เอาไปเพราะว่ากะไว้กินเองคนเดีย ว, แ ล, วแล้วต้องแบ่งเป็นสอง ตุกตก็ดีใจว่าได้ปลาเพิ่มมาจากการทำงานเอาไปขายร้องเพลงกลับบ้านในระหว่างนั้นในระหว่างนั้นปรากฏว่าคนทั้งหลายคนทั้งหลายเนี่ยเตรียมจะทำบุญนะตุกตะ ก, ก็เตรียมจะทำบุญเช้าวันนั้นเนี่ยทุกคนก็ไปหาไอ้คนที่บอกบุญอ่ะผมจองไว้ร้อยองค์จ่ายมา <c ười> คือช่วยแบ่งพระมา ผมจองไว้สองร้อยองค์แบ่งมาอันนี้ร้อยหสิบองค์แบ่งมาทุ๊กตากไปพระของผมองค์หนึ่งครับรูปหนึ่งครับโอ้ยตายแล้วลืมลงบัญชีไม่มีพระทำไงดีเลิกหลักทุกคนก็ชี้หน้าใหญ่เลยบเอา้าคุณไปชวนเขาแล้วแล้วคุณไม่ยอมให้พระเขาไม่ได้นะแต่ผมไม่ให้นะตัวเองก็ไม่ยอมให้ด้วยนะ เราก็อยากจะทำบุญอย่างนั้นนะเพรศอย่างนั้นแต่ก็ชี้ไปว่าคุณเน่ไปชวนเขาทำบุญแล้วไม่มีมีไม่มีพระให้เขาทำบุญ้วยนะคุณผิดนะจะมาอ้างว่าบกพร่องโดยสุจริตไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> เป็นความผิดนะนก็นึกไปนึกมาเออเรานิมนต์พระทางวัดแต่เราไม่ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าเหลือพุทธเจ้าองค์หนึ่ง และผู้ดูเจ้าเนี่ยนะโดยปกติแล้วเนี่ยหน้ากุฏิท่านเนี่ยนะจะเต็มไปด้วยพระราชาเจ้าชายเจ้าชายหลายๆองค์้วยนะเศษฐีมหาเศษฐีเ ส, าเ ส, เสนาบดีผู้หลักผู้ใหญ่เฝ้ารออยู่หน้ากุฏิประคันธกุฎีรอรับบาตรพระพุทธเจ้าประทานบาตรให้ใครวันนั้นก็จะจะไปฉั น, นที่บานนั้น ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพราราชาเป็นเจ้าชายเป็นขหาบดีผู้เป็นเศรษฐีอย่างเงี้ยหรือเป็นปุโรหิตอมตะใหญ่ๆวันนั้นทุกะตะเนี่ยแทรกแถวแหวกเข้าไป <c oughs> พราราชาบอกป้า <c oughs> ร, ราชาบอกว่าวันนี้ยังไม่ใช่เวลาคือปกติเนี่ยทุกะตะเนี่ยจะต้องไปร อ, อกินของเหลือ <c oughs> บอกวันนี้ยังไม่ใช่เวลาเขายังไม่ฉันกันเลยยังไม่กินกันเลยยังไม่มีของเหลือบอกเปล่าวันนี้มันจะไม่รับของเหลือวันนี้จะมาร้องทุกขร้องทุกอะไรวันนี้ผมจองพระวบองค์หนึ่งแล้วไม่ได้ <c oughs> จะมาร้องทูกข์กับกับพระพาาุทธเจ้าพระพาาุทธเจ้าได้ยินเสียงกระแง้มประตูเปิดมามีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นมาร้องทุกครับผมจองพระวบองค์หนึ่งแล้วไม่ได้ยืนปาดให้เลยยืนปาดให้ทุ ก, กตะเลยนะ พระราชาเลิกลากกันใจจะมารอรับบาทพระพุทธเจ้าอา้าวการเป็นตุ๊กตาได้ไปแล้วขอซื้อขอซื้อสิทธิ์มีไหมขอซื้อสิทธิ์ขอซื้อสิทธิ์ <laughs> นี้ขออุ้มบาทแทนจะเอาไปบ้านนะนะขอซื้อสิทธิ์ในการทําบุญกับพระพุทธเจ้าให้พันหนึ่งไม่เอาแสนหนึ่งไม่เอาล้านก็ไม่เอาสิบล้านเป็นก o ดก็ไม่เอาไม่เอาเลยไอ้นี่กอดแน่นเลยเดินยิ้มกลับบ้านอย่างเดียวกอดแน่นเลย พรอินบนบนสวรรค์นี่ก็ถึงกับอยู่ไม่ได้เลยนะจริงลงมาก่อนที่ทุกกตาเนี่ยจะมาวัดแล้วนะมาเดินมาที่บ้านทําตัวเป็นอะไรพ่อครัวตกยากเป็นพ่อครัวตกยากเดินมาหางานทําคิดดูเดินมาหางานทําก็ขอทานเดินมามีงานให้ทํำไหมมีงานให้ทํำไหมมาถามถึงบ้านทุกกตะทุกกตามี คุณทำอะไรเป็นบ้างบอกทำครัวเออเราก็อยากจะทำทาอาหารเลี้ยงพระอยู่นะเราไม่มั่นใจฝีมือตัวเองถ้าท่านเป็นพ่อครัวจริงก็อยากจะจ้างแต่ไม่มีเงินพ่อครัวแปลงที่เป็นพระอินทร์เนี่ยบอกว่าคุณจะทำอาหารให้ใครกินละ่ะเลี้ยงพระ อ, องอนั้นร่วมด้วยไม่คิดตังค์ขอทาบุญไม่คิดตังค์ทำอาหารร่วมด้วยก็ปรุงด้วยฝีมือเทวดา เรียกว่าคันเทพให้ทำได้ดีคันเทพเทวดามาทำจริงจริอันนี้คันเทพตัวตตัวตัวแท้เลยของแท้วันนั้นเนี่ยพระราชาเจ้าชายทั้งหลายเนี่ยนะนึกในใจว่าทุกขตะเนี่ยมันจะทำอาหารอะไรให้พระพุทธเจ้าฉันเนาะถ้ามันอาหารห่วยๆเนี่ยนะจะ จะดูซิว่าพระพุทธเจ้าจะฉันลงไหมจะฉันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าฉันได้น้อยเดี๋ยวจะนิมนต์ไปฉันอีกมือหนึ่ง <c oughs> คือไม่มั่นใจในทุกขะตะนะ <c oughs> เดินตามเป็นพรนเลยปรากฏว่าเดินเห็นบ้านลิบๆเนี่ยกลิ่นอาหารเข้าจมูกแล้วอาหารทิปอะนะอาหารเป็นอาหารทิปกลิ่นออมาอโอ้อาหารอย่างนี้ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนไปถึงแล้ว um, น้ำลายไหลใช้ได้เลยทุกขะตะนี่ใช้ได้เลย มั่นใจแล้วว่าโอ้เขาเขาเรียนเขาเรียนพุทธาได้แน่แน่กลับลากลับพเจ้าฉันเสร็จแล้วอนุมทนาอนุโมท น, น, นาเสร็จฉันวันนั้นน่ะคือฉันปาตะเพียนทุกะตะเนี่ยต่อมาก็คือมาเป็นเนนองนี้แหละโอเล่ายาวไปหรือเปล่าเนี่ย <laughs> <laughs> นี่ไปถ้าถ้าไปเล่าออกออกทีวีนะหมดเวลา ติดตามตอนต่อไปนี่เห็นว่าเวลาเปิดนะพอได้ทําบุญเสร็จแล้วนะทุกตะออกจากเอพระบรุตรเจ้าออกจากบ้านทุกตะเลยนะนะออกไปเสร็จปุ๊บทุกตะไปส่งพระบรุตรเจ้าออกไปไม่นานเนี่ยเมียเฝ้าอยู่บ้านเนี่นะฝนตกฝนตกปรากฏว่าตกมาไม่ใช่น้ําท่วม ของเราฝนตกดัานน้ำ ม, มาเหม็นเหม็นดำดำนะที่นั้นฝนกลายเป็นเพชรเป็นแก้วแหวนเงินทองกองท่วมบ้านเลยกองเสร็จแล้วทุกตา ก, กลับมาเฮ้ยบ้านเราหายไปไหน <c oughs> บอกเมียวบอกว่าเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะพอไปส่งพระ เ, รเจ้าเนี่ยนะฝนตกท่วมบ้านเลยอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องออกมานอ๊นอกเนี่ยอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องไปหาพระราชา ขอให้พระราชาขนทรัพย์นี้กลับเข้าพระครังไม่เอาเดินนะเอากลับเข้าพระครังบอกมันควรจะเป็นของพระราชาพระราชาบอกไม่ใช่หรอกมันเป็นบุญของแกจะให้ขนก็ได้ขนไปที่พระลานหลวงแล้วประกาศสมัยก่อนก็ออกประกาศป่าวประกาศตะโกนกันบ้งเดี๋ยวนี้ก็คงออกทีวีทีวีพูประกาศว่าทรัพย์สมบัติเหล่าเนี้ย ใครมีเท่านี้บ้างใครมีเท่านี้บ้างไม่มีไม่มีใครมีเท่านี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีใครมีมากเท่านี้คนที่มีมากอย่างนี้เนี่ยควรจะทำยังไงดีบอกควรจะยกข้อเป็นมหาเศรษฐียกตาแหน่งให้ก็ยกตาแหน่งให้ทำบุญก็เพื่อเจ้ามือเดียวนะได้เป็นมหาเศรษฐีวันนั้นเลยท ำ, ทำด้วยความความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้ทําด้วยความโลภอย่างอื่นด้วยความบริสุทธใจใจปีติเต็มที่แล้วเวียนเกิดเวียนตายมาเป็นเนนบุญจากการทําบุญด้วยปาตะเพียนได้กินปลาตะเพียนไม่อดเลยแม้ตั้งเป็นเนนไม่ไปบินไม่บินไม่ไปบินธ บ, บานนะภาษาลีบุตรยังต้องเอาปาตะเพียนมาให้เนเนเนนเนี่ย นี่ยังไม่จบนะเนนเนนนั่งนั่งกรรมฐานอยู่ในกุฏิบุญของเนนยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดเรียกว่าพระอินเห็นว่าเนเ น, เนเนี่ยทำกรรมฐานเลยนะส่งส่งเทวดาที่เป็น เ, เป็นลูกน้องไปบังไปทำ ทำโลกทํทำเมฆบังแดดให้ดูไม่ออกว่าเป็นเวลาเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าต้องให้เวลากับเนนหน่อยบินาบาการบินตบาตของของอินเดียเนี่ยนะจะเริ่มบินตบาดเนี่ยประมาณสัก9โมงครึ่งหรือ1ิโมงกว่าจะไปถึงบ้านโยมเนยนะถ้าเกิดเป็นวัดป่าเนี่ยนะเดินไปเนี่ยกว่าจะถึงบ้านโยมเนี่ย วินนบัดจะไม่กลับมาฉันที่วัดจะฉันที่ที่บ้านโยมเลยเพราะอะไรเดินกลับแล้วเกินเวลาไม่ทันฉันไม่ทันจะไปฉันที่บ้านโยมเลยโยมจะเตรียมอาหารพร้อมพอที่จะกินแล้วฉันแล้วอิ่มพอดีทีนี้วันนั้นน่วันที่ภาษารีบุตรชี้ล่องน้ำชี้เหมืองชี้คนเลงคันธนูเอ้ลูกธนู ให้เนนน่นะวันนั้นออกสายเป็นพิเศษเนนทั้งหลายไปบินกังหมดแล้วเหลือเหลือเนกับภาษาลีบุตรสอ ง, องค์กวาดวัดก่อนออกวินา บ, บาทจึงไปสายไปสายแล้วด้วยนะแล้วเนนก็ไม่ไปด้วยกลับมาภาษาลีบุตรไปฉันแล้วกลับมาพระอินทร์บอกว่าไม่ทันวเวลาไม่ทันไม่ทันฉันเพราะนั้นทำโลกให้สุรสรลัวก็เรียกฟ้าหลว เคยเคยฟังพยากรณ์อากาศไหมปุตุนยมวิทยาวันนี้ฟ้าหลัวคือมีแดดก็ไม่ใช่ไม่มีแดดก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนเนี่ยเขาดูเวลาจากเงาแดดมันไม่มีเวลาจากข้อมืออย่างนี้นะไม่มีเวลาแขวนไว้ที่ผนังนี้ด้วยดูจากเงาแดดเพราะฉะนั้นวิธีทําให้ไม่รู้เวลาไม่เห็นแดดพระอินทร์ก็ไปบอกว่าทํำยังไงก็ได้แฮม มีแสงแต่ไม่ให้มีไม่มีไม่เงาทำฟ้าหลวงภาษาลิบุตรก็เอาอาหารมาเน้นเน้นเจริญกรรมฐานไปพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะธรรมเห็นเห็นความจริงมรุมัดผลไปเรื่อยๆนะขั้นที่หนึ่งไม่เห็น ไม่เห็นความเป็นตัวตนในในกายและในใจขั้นที่สองเห็นชัดขึ้นขั้นที่สมเห็นว่าแม้กระทั่งความอยากก็เป็นทุกข์ละความอยากละละละความยึดถือในกายบรรลุเป็นพระอนาคามีกำลังจะทำต่อภาษาลิบบทเดิมมาแล้วเอาละสิเหมือนกับว่าจะมาดีแต่จะเป็นอันตรายต่อมรรคผล พระพุทธเจ้าเห็นนะภาษาลิบุตรยังไม่เห็นนะพระพุทธเจ้าเห็นพรุทจ้าเห็นว่าถ้าภาษาลิบุตรมาในกระตอนเนี้จะเป็นอันตรายต่อมรรคผลของเนนจะทํำยังไงดีท่านก็ไปดักที่หน้าประตูกุติของเนนพระพุทธเจ้านะไม่กวนเน้นด้วยนะแคยืนรออยู่หน้ากุติเนนภาษาลิบุตรก็เดินมา นำบาตรมาให้เ น, น้น่ารักมากนะเป็นเป็นพระอุปชาด้วยนะอุปชาวิน บ, บาทเลี้ยงเนนเป็นพระอุปชาวินา บ, บาทมาเลี้ยงเนนพระพุทธเจ้าก็ถามภาษาไดบุตรเอาอะไรมาผมเอาอาหารมาครับอาหารนำอะไรมาถามถามแบบโอ้โห เราฟังแล้วมึนใช่ไหมตอบไม่ถูกใช่ไหมอาหารนำอะไรมาตอบได้ไ้ยอาหารนำเวทนามาครับเวทนานำอะไรมาเวทนานำรูปมาครับมึนไหมงงไหมนี่ระดับพระอักระสาวกกับพระพุทธเจ้าคุยกันอะแล้วเอาอะไรมาอีก นำอะไรมาอีกนำรูปมาแล้วใช่ไหมทั้งหมดนี้ดูแล้วมันเป็นสภาวะธรรมไม่ ม, มีตัวมีตนในอะไรเลยอาหารก็สักแต่ว่าอาหารนํามามีเวทนาคือเวลาฉันแล้วจะเกิดเวทนาคือรับรู้รสทางลิน้นขนาดคุยกันไม่มีใครฟังนะยังคุยกันแบบลึกซึ้งขนาดนี้นะอาหารนาเวทนามา เวทนาพอรับรู้รถแล้วเนี่ยนำมาซึ <laughs> ่ง no, รูปคือมันไปหลอเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงออกมาเป็นรูปรูปนำมาซึ่งอะไรทุกเห็นเน้นเนี่ยได้ยินคำสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับภาษาเลบุตถ้าภาษาเลบุตไม่มีพระพุทธเจ้ามามามายืนดักเอาไว้นะ ภาษาลิบุตรก็จะเปิดประตูแวบไปเนนออกจากกรรมฐานค้างคาอยู่แค่พระอนาคามีอนาคามีแล้วก็เอาแล้วเนะาะเดี๋ยวว่าอนาคามีอยู่สวดาบันล้วก็เอาแล้วใช่ไหมคาไว้ก็เอาแต่ภาษาลิบุตรจะไปทำอันตรายต่อมรรคผลเนี่ยนะพระรูปเจ้าบอกว่าไม่ได้ต้องให้ถึงพระพระอราหันต์ไปดักก็แล้วก็มีการสนทนาธรรมเนนฟังในขณะที่เข้ากรรมฐานอยู่ด้วยนะ ฟังไปพิจารณาไปมันปิ๊งขึ้นมาเลยว่าแม้แต่ใจแม้แต่ขันห้าทุกอย่างเป็นทุกข์ทั้งหมดปล่อยวางหมดเลยเป็นพระอรหานตรงนั้นเลยเอาละพระพระเจ้ารู้เลยนะเป็นพระอรหารนตะ์อ่ะเอาอาหารไปได้ความมหากรุณามหากรุณาของพระเจ้าไม่มีประมาณจริงๆไม่ได้แค่เออแค่นี้พอแล้วนะแค่นี้ก็ยังมีทุกข์อยู่ ธนาคางมียังมีทุกอยู่นะพระองค์ไม่ให้มีทุกเหลือเลยมาหากรุณาขนาดไหนพอเนนฉันเสร็จฟ้าหายหลวบ่ายบ่ายแล้วบ่าเข้าไปบ่ายกว่ า, บ, าบ่ายสองบ่ายสามประมาณนั้นเลยพระมา ถ, ถึงเนนทำไมกินอาหาร วิกาลแลโภชนาบอตอนนั้นไม่มีเวลาตอนนั้นไม่มีเวลาดีไหมอ่านอาจมาอ่านเรื่องนี้นะน้ำตาไหลน้ําตาไหลหลายตอนเลยนะโอ<ฮ>้โหทุกตะทําบุญก็ทําบุญด้วยความยากลาบากนะมาหากรุณาของพุตตะก็มากเลยภาษาเรบุตรก็ไม่ธรรมดานะ กรุณาตอนเนนมากเลยเราเราเกิดไม่ทันท่านเหล่านั้นไม่ทันพระองค์ก็จริงแต่ได้รับรู้เรื่องราแวแล้วมีกําลังใจมีกําลังใจในการที่จะประพืชปฏิบัติต่อไปแล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าขาดแคลนครูบาอาจารย์ยังมีครูบาอาจารย์ที่ยังมีกรุณายังมีเมตตามีความสามารถที่จะมาสาธยายธรรมะให้เราได้เข้าใจและนําไปปฏิบัติ หน้าที่ของเราคือทําความเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติเหมือนอย่างเนมพอได้คิดแล้วไม่เสียเวลาไม่ยอมให้เสียเวลาขนาดจะเดินไปบินตาบาดก็ไม่ยอมเลยต้องกลับมาบินตบาดแล้วกลัวจะทําให้กุศลนั้นดับกุศลมีอายุนะมีเกิดมีดับถ้ารู้สึกว่าจิตใจเนี่ยพร้อมพอที่จะสร้างกุศลไม่รอเวลา ไม่เกี่ยงไม่งอนไม่รอเวลาทําเลยทําตอนนั้นเลยไม่ห่วงชีวิตด้วยจะไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรมรคผลสําคัญกว่าระดับนั้นเนนต้งเน้นนะไม่ธรรมดานะเราเอาได้ไหมมาได้นะไม่ต้องรอกลับบ้านนะทาตอนนี้เลยทาตอนนี้เลยทำในระหว่างอยู่ในรถเลยทำระหว่างที่เดินไปเดินมาอยู่ในนี้ด้วยเลยสถานที่แห่งนี้จะได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ปลูกปลูกผลธทมขึ้นมาต้นไม้ต้นหญ้าถูกน้ําท่วมแห้งเหี่ยวไปก็ดูเป็นอนิจจังดูมันแห้งเหี่ยวไปเนี่ยมันไม่ได้แห้งเหี่ยวด้วยเหตุผลอื่นมันมีเหตุปัใจจัยให้แห้งเหี่ยวจริงๆแล้วมันก็แค่แสงสีแสงสีนะจากเดิมเขียวๆตอนนี้เป็นสีน้ําตาล ดีไม่มีกลิ่นเน่าเพราะเขาเตรียมไว้ดีมีการโยน E M ball ใช่ไหมเตรียมเอาไว้แล้วถ้าที่อื่นเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการปอให้เน่านะมันแห้งไปแล้วก็จริงแต่มีส่งกลิ่นทิ้งทวนทิ้งท้ายเอาไว้อันนี้ก็ขอชมเชยสถานที่แห่งนี้ว่าเตรียมพร้อมไม่ดีโมตนากับคุณแแบบแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆกคนแล้วก็โมทนากับทุกๆกคนที่มาใช้สถานที่นี้ให้เป็นประโยชน์ แล้วก็ถ้าสิ่งที่ได้พูดไปมีประโยชน์นะก็ขอให้เอาสิ่งนั้นไปไปปฏิบัติไปใช้นะอาตมาก็จะได้มีส่วนแห่งบุญกันด้วยยังงอกบุญอยู่นะช่วยกันทำทาแล้วอาตมาจะได้อนุโมทนา<ม>เวลาอนุโมทนาเวลาแบ่งบุญมาก็อย่าจากัดนะแบ่งมาทางนี้บ้างเผื่อเวลาอาตมาจะไปเป็นยักษ์หรือเป็นอะไรที่ไหน จะได้เขาจะได้เกรงใจตมาบ้างเหมือนอย่างยักษินีน ะ, ะได้ได้วิธีแบ่งบุญกันแล้วนะอย่าไปจำกัดอย่าหวงบุญนะแบ่งไปทั่วๆไปแล้วก็เห็นใครก็ทาดีก็อนุโมทนายักษินีนั้น อ, นอนุโมทนาจึงมีคนเกรงใจนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแบ่งไปแล้วแล้วได้ผลอัตโนมัตินะต้องอนุโมทนาด้วยวันนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ เอวังมันนี้มีเอวังด้วยนะวันอื่นไม่มีเอวัง